วิมานในโลกทิพย์เกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อไม่มานานมานี้อาจารย์สิริพุทธสุขได้ปรารกกับข้าพเจ้าว่าเมื่ออ่านดูในหนังสือโลกทิพย์ก็พบแต่โบสถ์หรือสิ่งก่อสร้างตามแบบชาวตะวันตก สงสัยว่าในโลกของโอปปาติกะจะมีโบสถ์มีพระประธานมีศาลาและสิ่งก่อสร้างต่างๆแบบสถาปัตยกรรมไทยบ้างหรือไม่ปัญหานี้เป็นปัญหาที่น่าสนใจข้าพเจ้าจึงได้ให้คุณสีเพนเข้าไปถามโอปปาติกะองค์หนึ่งซึ่งเมื่อก่อนในสมัยเป็นมนุษย์เป็นคนอเมริกันและเป็นองค์เดียวกับที่ได้ตอบปัญหาที่ได้นาลงในหนังสือวิญญาณฉบับเดือนมีนาคม25ง0 ท่านได้อธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้ในโลกของโอปปาติกะชั้นธรรมดาคือในภูมิที่มีจิตใจใกล้เคียงกับมนุษย์สภาพสิ่งแวดล้อมในภูมินี้ส่วนมากจะเป็นไปตามประเพณีและความเชื่อถืออย่างเดียวกับที่มีอยู่ในโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นในภูมินี้จากสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามภูมิกาเนิดในสมัยที่เป็นมนุษย์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 นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งหรือภูมิหนึ่งในโลกของโอปปปาติกะไม่ใช่ว่าทุกๆภูมิจะเป็นเช่นนี้เพราะในการศึกษาเรื่องเหล่านี้อย่าพยายามเดาหรือคาดคะเนในแบบตรร ก, กะวิทยาปัญหามีอยู่ว่าโบสถ์ก็ดีสาราก็ดีและสิ่งก่อสร้างอื่นๆตลอดถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรท่านได้ชี้แจงให้ฟังว่า อบปฏิกะที่อยู่ในภูมินี้ส่วนมากจะไม่รู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนอกจากจะมีผู้มาอธิบายให้ฟังซึ่งผู้ที่จะอธิบายนั้นจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปมากจึงจะสามารถอธิบายได้เพราะโดยธรรมดาคนที่จะมาเกิดในภูมินี้เมื่อตายจากโลกมนุษย์ก็จะมาพบสิ่งเหล่านี้ซึ่งมีอยู่แล้วก่อนหน้าเขาเช่นเดียวกับคนที่เกิดในโลกมนุษย์ ก็ได้พบกับสิ่งต่างๆซึ่งเกิดก่อนหน้าเขาบรรดาสิ่งต่างๆซึ่งอยู่ในโลกมนุษย์นี้เช่นต้นไม้แม่น้ำภูเขาและสิ่งอื่นๆบางคนก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่คนส่วนมากจะไม่รู้ในเมื่อไม่ได้ศึกษาในโลกของโอปะปะติกะก็เหมือนกันผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์มาเกิดในโลกนี้พอเกิดมาก็พบว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีอยู่แล้ว แล้วก็มักจะนึกว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นก็เพราะมีใครสร้างไว้ยังเดียวกับในโลกมนุษย์กล่าวคือความคิดเห็นความเข้าใจต่างๆซึ่งเคยมีอยู่ในโลกมนุษย์มีอยู่อย่างไรเมื่อมาเกิดในโลกทิพย์ก็มักจะเข้าใจอย่างนั้นโดยเฉพาะในตอนแรกๆและยิ่งกว่านั้นบางคนอาจจะมาเจอสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกันในโลกมนุษย์ถ้าหากว่าคนเหล่านั้นไม่รู้ตัวว่าตนเองได้ตายจากโลกมนุษย์แล้ว ก็จะต้องเข้าใจว่าตนเองยังเป็นคนอยู่โอปปปาติกะประเภทที่ไม่รู้ตัวเช่นนี้มีไม่น้อยท่านอธิบายให้ฟังว่าความจริงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทิพย์เกิดจากอำนาจของจิตทั้งสิน้นเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่ามนโนมยะรูปังในวงเล็บ การที่ท่านใช้คํานี้ก็เพราะท่านเคยได้ยินข้าพเจ้าพูดบ่อยๆในเวลาที่ข้าพเจ้าแสดงปักคถาตามที่ทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่าคนที่ได้ทำบุญไว้เช่นเคยสร้างโบสถ์สร้างศาลาหรือได้ทำบุญอะไรไว้ก็ตามเมื่อตายแล้วก็มักจะไปพบสิ่งที่ตัวเองได้ทำไว้เช่นที่เคยเชื่อกันว่าเมื่อเราสร้างโบสถ์หรือสร้างศาลาไว้ทั้งที่ในขณะที่เรายังไม่ตาย แต่วิมานก็จะเกิดรอเราอยู่แล้วท่านบอกว่าความเชื่อในลักษณะ น, นี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่ว่าจะต้องทำความเข้าใจให้ถูกว่าสิ่งต่างๆที่เกิดอยู่ในโลกทิพนั้นไม่ใช่เกิดจากอำนาจจิตของคนเพียงคนเดียวแต่หากเกิดจากพลังจิตของโอปปาติกะทุกๆุกคนที่อยู่ในภูมินั้นซึ่งพวกโอปปาติกะเองส่วนมากก็ไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างใกล้ชิด อันหนึ่งท่านได้บอกว่าอย่าลืมว่าอำนาจแห่งความดึงดูดของวิบากเป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้คนเราตายแล้วไปเกิดอยู่ในภูมิไหนเพราะฉะนั้นคนที่จะไปอยู่ที่ภูมิไหนส่วนมากจะต้องมีความรู้สึกนึกคิดคล้ายกันหรือมีวิบากของกรรมมาอย่างเดียวกันการแบ่งภูมิด้วยอำนาจแห่งวิบากของกรรมในโลกของโอปปปาติกะนี้เป็นไปอย่างเด็ดขาดและเข้มงวดมากและพูดได้ว่า มันเป็นแบบอัตโนมัติหรือว่าเป็นไปเองโดยไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นคนที่มีอะไรแตกต่างกันเขาจะอยู่ในภูมิเดียวกันไม่ได้หลักอันนี้ท่านบอกว่าโปรดจำไว้ให้แม่นและเมื่อเข้าใจหลักอันนี้ดีแล้วเราก็จะมองเห็นความจริงได้โดยไม่ยากว่าเพราะเหตุไรสิ่งต่างๆในโลกของโอปปปาติกะจึงเกิดขึ้นได้ด้วยอานาจของพลังจิตของโอปปปาติกะแต่และคนและเพราะเหตุไร คนที่ทำบุญไว้และยึดมั่นอยู่ในบุญกุศลนั้นๆและต้องการที่จะได้รับผลตามมโนภาพที่วาดเอาไว้หรือที่ตั้งใจเอาไว้เมื่อตายแล้วก็มักจะมาเจอกับสิ่งแวดล้อมที่ตนเองนึกไว้อย่าลืมว่าคนที่มีความคิดคำนึงคล้ายคลึงกันและสร้างวิบากของกรรมมาคล้ายๆกันเมื่อตายแล้วจะต้องมาอยู่ในภูมิเดียวกันทั้งนี้ก็ด้วยอำนาจแห่งการดึงดูดแห่งวิบากของกรรม ท่านบอกว่าแม้ว่าท่านจะได้ตายจากโลกมนุษย์มาแล้วหลายสิบปีและเมื่อก่อนจะไม่ได้เรียนทางพระพุทธศาสนาเรียนแต่ทางปรัชญาของฮินดูก็จริงแต่มาในระยะหลังๆนี้ท่านได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาจากโอปปปาติกะด้วยกันบ้างและเที่ยวฟังจากมนุษย์ที่พูดกันหรือที่สอนกันบ้างท่านบอกว่าคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคาสอนที่ประเสริฐที่สุดสอนอย่างตรงไปตรงมา อธิบายหลักวิชาไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นท่านขอร้องให้ศึกษาคำว่ามโนมยรูปังซึ่งแปลว่ารูปคือร่างกายในโลกของโอปปาติกะเกิดจากใจซึ่งคำนี้มีความหมายลึกซึ้งและกว้างขวางมากท่านบอกว่าจากข้อเท็จจริงที่ท่านมองเห็นในโลกของโอปปาติกะนั้นไม่เพียงแต่ร่างกายเท่านั้นที่เกิดจากใจสิ่งที่เป็นรู ป, ปธรรมทุกอย่างก็เกิดจากใจทั้งสิ้น และทุกอย่างในโลกนี้เห็นได้ชัดว่ามีวิญญาณทั้งนี้ก็เพราะความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจของโอปปาติกะกับสิ่งแวดล้อมมองเห็นได้ชัดฉะนั้นตามที่ทางพระพุทธศาสนากล่าวว่าถ้าหากเทวดาองค์ใดจัดจุติต้นไม้ในสวนก็จะร่วงโรอยอย่างนี้เป็นต้นนั้นเป็นความจริงที่เห็นกันอยู่ทั่วๆไป แต่อย่างไรก็ดีสําหรับอุปปาติกาที่อยู่ในภูมิสูงและมีจิตใจสูงไม่ค่อยจะติดอยู่ในเรื่องวัตถุนั้นสภาพสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกับในโลกมนุษย์เลยการแบ่งแยกทางเชื้อชาติทางภาษาหรือทางวัฒนธรรมต่างๆก็จะค่อยๆหมดความหมายไปโดยลําดับกล่าวคือยิ่งอยู่ในภูมิสูงขึ้นไปเพียงไรสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องแบ่งแยกเหล่านั้นก็จะค่อยๆหมดความหมายยิ่งขึ้นอันหนึ่งท่านยังได้แนะไว้อีกอย่างหนึ่งว่า การมองชีวิตถ้ามองจากที่สูงลงมาเห็นได้ง่ายแต่ถ้ามองจากที่ต่ําขึ้นไปจะเห็นได้แต่เพียงบางส่วนและถ้าหากคนเรายังติดอยู่ในเรื่องวัตถุมากเพียงใดก็ยังจะมืดมัวต่อเรื่องชีวิตเพียงนั้นส่วนผู้ที่ไม่ติดอยู่ในเรื่องวัตถุเป็นผู้ที่เข้าถึงโลกแห่งนามธรรมาคือเข้าใจเรื่องนามธรรมาได้กว้างขวางและลึกซึ้งมากสําหรับผู้ที่อยู่ในฐานะเช่นนี้ จะเข้าใจความผันแปรของชีวิตได้กระจ่างมากในฐานะที่ท่านเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์มาก่อนท่านบอกว่าการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สมัยก่อนมาติดกันอยู่เพียงแค่วัตถุกล่าวคือในเมื่ อ, อยังแยกปรมาณูไม่ได้ก็เข้าใจว่าวัตถุเป็นสิ่งที่มีจริงและก็มักจะตั้งทฤษฎีต่างๆ โดยกำหนดเอาเรื่องวัตถุเป็นหลักและยอมรับนับถือกฎของวัตถุที่เรียกว่ากฎธรรมชาติเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวและจะต้องเป็นจริงอย่างนั้นตลอดการและทุกสถานที่ด้วยแต่ต่อมาในเมื่อการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ได้รู้กันทั่วไปแล้วว่าสสารย่อมมาจากพลังงานและกำลังค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องคลื่นของพลังงานต่าง จึงทําให้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องวัตถุอย่างที่เคยเชื่อกันอยู่ในสมัยก่อนนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากท่านขอให้เปรียบเทียบกันดูระหว่างคนที่ไม่เข้าใจถึงเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของวัตถุกับนักวิทยาศาสตร์ผู้เข้าใจโครงสร้างวัตถุอย่างละเอียดว่าคนเหล่านี้มีทัศนะที่แตกต่างกันเพียงไรอันหนึ่งท่านบอกว่า การที่นักวิทยาศาสตร์ได้ก้าวหน้ามาถึงแค่นี้นั้นนับว่าใกล้เต็มทีแล้วในอันที่จะเข้าใจเรื่องนามธรรมโดยเฉพาะหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์นั่นเองเฉพาะเรื่องของพลังงานต่างๆที่มีความสัมพันธ์อยู่กับเรื่องนามธรรมอย่างใกล้ชิดท่านบอกว่าเมื่อเรามองดูความร้อนหรือไฟภายนอกซึ่งจะเกิดขึ้นเองโดยไม่มีคนจุดหรือจะเกิดจากการจุดก็ตามคนที่ไม่มีความรู้เรื่องนามธรรมเขาจะมองไม่เห็นเลยว่า ไฟที่เกิดขึ้นนั้นมีความเกี่ยวข้องอยู่กับนามธรรมาให้อธิบายอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจในเมื่อพื้นความรู้ของเขาไม่พอแต่ถ้าหากพูดถึงความร้อนภายในร่างกายซึ่งทางวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเกิดจากอาหารหรือพูดให้ชัดคือเกิดจากการเผาผลาญอาหารให้เป็นกำลังงานอาหารแต่ละชนิดให้ความร้อนไม่เหมือนกันคนที่มีความรู้แต่ในด้านวัตถุเขาจะมองไม่เห็นว่าความร้อนในร่างกาย มีความสัมพันธ์อยู่กับจิตใจอย่างใกล้ชิดทั้งที่ตัวอย่างหรือข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่เสมอเช่นในขณะที่อากาศกําลังหนาวนอนห่มผ้าแต่ถ้าเกิดตกใจกลัวอะไรขึ้นมาก็อาจจะเหงื่อออกได้อย่างนี้เป็นต้น แนะว่าควรจะพยายามศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับจิตใจให้รู้ข้อเท็จจริงอย่างละเอียดและในที่สุดจะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่าในโลกของโอปปาติกะทุกอย่างเกิดจากใจซึ่งอันที่จริงแม้ในโลกมนุษย์ทุกอย่างก็เกิดจากใจซึ่งคําว่าทุกอย่างในที่นี้หมายถึงทั้งสิ่งแวดล้อมและหมายถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วยเช่นแผ่นดินแม่น้ําภูเขาเป็นตน้น แต่ว่ามนุษย์มองไม่เห็นเองเช่นเดียวกับพวกโอปปาติกะชั้นธรรมดาทาั้งๆที่ทุกสิ่งทุกอย่างในภูมินั้นเกิดจากใจทั้งสิ้นแต่คนที่มีสติปัญญาจำกัดแม้จะพยายามอธิบายอยู่จนตลอดชีวิตก็ไม่อาจจะเข้าใจได้นี่แหละคือความแตกต่างแห่งระดับสติปัญญาซึ่งเป็นไปตามภูมิหรือเป็นไปตามวิบากที่ตนเองได้สร้างไว ว่าสิ่งที่มหมนให้ยิสอดทนมนานเรื่องร้ายจะ ทนดูไรเหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษ ด, ดาวแต่ในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มาเพราะเธอจะร้ายจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั้นเองอย่าให้ลองดูเรื่องั้รคือการประทัง คิดในใจอาจคอยส่งผลหรือไรอาจกมค่กส่งผลของกคทอะไรทดีหรือ